ก้อแรกของคีบเราควรจะพยายามให้จิตใจที่ปลดปลงโดยอาศัยสติให้สติเข้าถึงจิตใจเราก่อนใจเราจะสดชื่นสดใสไมทุกวันเลยแต่ถ้าหากว่าสายตามตอนนี้กําลังรุ่นคิดไปอารมณ์ต่างๆก็ไม่เป็นไรเมื่อมันคิดแล้วตอนแล้วไปอย่าไปใส่ใจอย่าไปเป็นทุกข์อย่าไปกังวนลเราก็พยายามที่จะ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 แปลว่าผู้รู้ถ้าใจเรารู้ตัวเรามีผู้รู้อยู่เนี่ยแสดงว่าเรามีบัณฑิตู่ในจิตใจเราแล้วเนกะียงพอแล้วท่านเจ้เจ้าเนี่ยท่านมีชื่ออีกแบบี้ว่าพุโทโธพุทโธเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกานถ้าเรามีสติมีความมรู้ตัวอยู่กับตัวเรา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 ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราสามารถฝึกฝนจิตใจเราอ่ะให้จิตเราเนี่ยรู้สึกตัวตื่นรู้เบิกบานปุติยอยู่เสมอเราก็จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจเราเสมอเสมอใครก็ตามจะมีเทพมีองค์มีอะไรสิง่งสถิตอยู่ในจิตใจนั้นรักษาใจนั้นไ ม, ไม่สําคัญไม่ตัดแต่เท่ากับเรา มีผู้รู้คือสติคือความติดตัวที่ในจิตใจเราถ้รามีรติดอยู่กับใจเราแล้วเนี่ยถ้าแต่ว่าเรามีเทิสเจ้าคุ้มครองดูแลใจเราอยู่มีเทพิสเจ้าคอยช่วยเหลือเราอยู่เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวให้มีที่ในจิตใจเราเสมอๆเราจะปลอด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 ทำร้ายความเป็นปกติในชีวิตของใจเราของตัวเราเราต้องมองสุดตัวอยู่เสมอจมอไม่ได้ไปลักขโมยไปพราะใจเราตัวเราเราเห็นไห้กายเรากําลังเคลื่อนไหวทําอะไรอยู่กําลังทํากับข้าวกําลังเดินจกมกรมกําลังฟังธรรมะเราก็มีการเคลื่อนไหวของร่างกายไปด้วย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 ถ้าตู่เป็นเรองร้เมื่อไหร่แล้วก็ผิดธรรมแต่ว่าผิดสินไ้่น่าผิดใจก็ได้สินใจสินปรามะเป็นสินของพระอริยเจ้าซึ่งไม่ตู่ว่ากายใจนี <ๆ S 1> ้เป็นของเราเป็นเพียงแค่เครื่องอาศัยขอยืนขอมาชั่วข่าวเรารู้สึกตัวอย่างนี้สิ้นข้อที่สองอินาทานมันก็ไม่ผิดไม่ผิดทมน่าผิดใจนะ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 เป็นในด้านจิตใจประมาทเราเียนแก่อับรู้ไปที่ใจเมื่อเวลาเรามีอารมณ์ชอบใจเรารู้สึกตัวเป็นประจำเสมอเสมอว่าดีกันมีความคิด ท, ที่จะพูดอะไรก็ตามย่อมไม่เกิดขึนไม่ได้พูดโกหไม่ได้พูดเหลวไหลแม้แต่คําพูดก็ไม่มีขึ้นเพราะเรามีความรู้สึกตัวอยู่กับตัวเราเสมอไปเสมอ สิข้อมุสาออก็าบอ่อยเกิดเย็นใจก็ตามที่เราอยู่กับการทํางานอยู่กับการเจริญสตินั่นแหละเรามีตัวผู้รู้ไม่ได้มีตัวพูดหรอมีตัวผู้รู้อยู่กับตัวเราเสมอๆตุลาเนี่ยไม่ต้องไปพูดผิดเพราะเราไม่ได้จิ่งเหล่านั้ น, นทําให้จิตก่เราต้องรุ่มหลง ร่มหลงแล้วทำให้สิ่งทั้งอาทั้งตัวเนี่ยเรามองไปในแง่สีดำหมดเลยคือไม่มีความตื่นรู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติมีความรู้ตัวอยู่กับตัวเองเป็นปัจจุบันนั่นแหละผู้รู้ก็คิดแล้วเรามีที่พึ่งแล้วไม่ได้ผิดสิ่กข้อไหนเลยอันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสิ่ใจเป็นศิ่งปรมัต เป็นศีน์เขาเรียกว่าอาริยะกันพสิศีลที่พระ อ, อริยะชอบใจเป็นศีลทางหน้าปรมาทุนล้วนเลยเพราะฉะนั้นเราจึงนำเอาการปฏิบัติกางเจริญกติณ น, นำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันประยุกต์ใช้ให้ได้อย่าไปแบ่งแยกว่าตอนนี้เราปฏิบัติเรออกจากการปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติเราองไปทํางานไม่ใช่ ให้มันต่อเนื่องกันประยุกต์นําเอาไปใช้ทจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีศิลปะมีปัญญาในการทำอะไรจะทิ น, นจงจะดีจะเคลื่อนไหวด้วยวิธีอะไรก็ตามใหเราพยายามเติมปฏิบัติอยู่เสมอไม่ต้องไปมุ่งหวังอนะไรทำถ้าอยู่เราทําได้อย่าไปมุ่งหวังอนะไเราทําตรงไหนได้ก็ตรงเวราหลงลืมไปแล้วแต่แล้วกันไปเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม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 เอาตรงนี้ไปก่อนเป็นปัจจุบันแล้ครับให้รู้สักปวดบางครั้งบางท่านเนี่ยอาจจะมีความเก็บไข้ได้ป่วยมีโรคทางกายก็ตามก็อย่าไปัำอันนั้นเป็นเรื่องของกายอย่าไปมุดหยิบท้อแท้ซ่อมมองสาดแค่ตัวเองช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกมันจะเป็นการซ้ำเติมโรคทางกายเราให้มากและจิตใจเราก็ไม่ดี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 เพื่อได้เลที่อาจจะนัใจตนเองถ้าบอกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ่งวันข้างหน้าเนี่ยเราควรจะประพฤติปฏิบัติธรรมการรูะะ้สติอยู่กับตัวเราอยู่เสมอๆในปัจจุบันอย่านี้ทําไปเรื่อยๆแม้ว่าเรายัางไม่เห็นผลในปัจจุบันคื อ, อยังไม่บรรลุมรรคผลพิพานหรือดับเพลิงที่เด็กกองทุกได้ในปัจจุบันก็ไม่เป็นไร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 ก็ยังมีความผาสุกสงบเย็นอยู่บ้างแค่นี้ครับเรายังมีความผาสุกสงบเย็นอยู่บ้างกับการปฏิบัติธรรมบางทีอาการภายนอกาการที่เราต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสมมติอาจจะวุ่นวายอยู่บ้างแต่ว่าใจเรานี่ก็ยังมีการสงบเย็นได้บ้างเหมือนกันความทุกที่มีอยู่ก็ย่อมจะลดน้อยลงไปปัญหาก็ลดลงไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น ถาเราฝึกฝนปฏิบัติอยู่เสมอเสมอดยการมีปฏิบัติอยู่เสมอๆการปฏิบัติธรรมเราทําได้ทําได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่คือีิวัฒน์ามาแล้วเป็นอาการิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จํากัดการและผลการปฏิบัตินั้นก็ยออ่อมเกิดมีขึ้นได้กับสัมมาปฏิบัติที่เราทําขึ้นเพราะฉะนั้นให้ ท่านมั่นใจได้มั่นใจได้ในการปฏิบัติธรรมมั่นใจในเรื่องการดับทุกมั่นใจในวิธีการดับทุกแล้วก็มั่นใจในทุกเจ้าว่าทําให้มีขึ้นในใจเราได้กิงภาวะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซึ่งมีอยู่แล้วในใจิตใจ